ถ้ามบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องบุษเศรษฐีมีทรัพมากภาคที่หเรื่องที่9ของวรที่11อชราวัคะวรรณน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัตสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอีสิปตนะมรุขทยาวันทรงปราบรบุษเศรษฐีผู้มีทรัพมาก ตรัพระธรรมเทศนานี้ว่าอจริตวาพระมหมจริยังเป็นต้นตอนพวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้าดังได้สดับมาบุต ร, รเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติแปสบโกรดในกรุงพารณสีครั้งนั้นมารดาบิดาของเขาคิดว่า ในตระกูลของเรามีกองโผค้าเป็นอันมากเราจะมอบกองโผค้านั้นไว้ในมือบุตรของเราทำให้ใช้สอยอย่างสบายกิจ ด, ด้วยการงานอย่างอื่นไม่ต้องมีดังนี้แล้วจึงให้เขาศึกษาศิลปะศักวาการฟอนขับและประโคมอย่างเดียวในพระนคร น, นั้นแม้ทิดาคนหนึ่ง ก็เกิดแล้วในตระกูลอื่นซึ่งมีสมบัติแปิบโกรดปิดามานดาแม่ของนางก็คิดแล้วอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ให้นางศึกษาศิลปะสักว่าการฟ้อนขับและประโคมอย่างเดียวเมื่อเขาทั้งสองเจริญวัยแล้วก็ได้มีการอาวาหะวิวาหมงคลกันต่อมาภายหลัง มารดาบิดาของทั้งสองคนนั้นได้ถึงแก่กรรมแล้วทราบย6 0โกรธก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมดเศรษฐีบุตรย่อมไปสู่ที่บำรุงพระราชวังวันหนึ่งถึงครั้งครั้งนั้นพวกนักเลงในพระนครนั้นคิดกันว่าถ้าเศรษฐีบุตรนี้จกเป็นนักเลงสุรา ความผาสุกก็จะมีแก่พวกเราเราจะให้เธอเรียนความเป็นนักเลงสุราพวกนักเลงสุรานั้นจึงถือเอาสุรามัดเนื้อสำหรับแกล้มและก้อนเกลือไว้ที่ชายผ้าถือหัวประกาศนั่งแลดูทางของเศรษฐีบุตรนั้นผู้มาจากราชสกุลเห็นเขากำลังเดินจึงดื่มสุรา เอาก้อนเกลือใส่เข้าในปากกัดหัวระกาศกล่าวว่าจงเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีเถิดนายเศรษฐีบุตรพวกผมอาศัยท่านก็พึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่มบุษฐีฟังคำของพวกนักเลงนั้นแล้วจึงถามคนใช้สนิทผู้ตามมาข้างหลังว่าพวกนั้นดื่มอะไรกันคนใช้ น้ำดื่มชนิดหนึ่งนายบุเสษถีมันมีรสชาติอร่อยหรือควรใช้นายธรรมดาน้ําที่ควรดื่มเช่นกับน้ําดื่มนี้ไม่มีในโลกที่เป็นอยู่นี้ตอนบุเศษถีหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุขบุเสษถีนั้นพูดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น แม้เราก็ควรดังนี้แล้วจึงให้นำมาแต่นิดหน่อยแล้วก็ดื่มต่อมาไม่นานนักนักเลงเหล่านั้นรู้ว่าบุตรเศรษฐีนั้นดื่มจึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีนั้นเมื่อการล่วงไปก็ได้มีบริวารหมู่ใหญ่บุตรเศรษฐีนั้นให้นำสุรามาด้วยซับหนึ่งรบ้าง200บ้างดื่มอยู่ ตั้งกองกระหาปณ ะ, ะไว้ในที่นั่งเป็นต้นโดยลำดับดื่มสุรากล่าวว่าจงนำเอาดอกไม้มาด้วยกระหาปณะ น, ะนี้จงนำเอาของหอมมาด้วยกระหาปณะ น, ะนี้ผู้นี้ฉลาดในการขับผู้นี้ฉลาดในการฟ้อนผู้นี้ฉลาดในการประโคมจงให้รับพันหนึ่งแก่ผู้นี้ จงให้ทรับสองพันแก่ผู้นี้เมื่อใช้สุรุอกสุราชอย่างนั้นต่อการไม่นานนักก็อย่างทรับแปดสิบโกดอันเป็นของตนให้หมดไปแล้วเมื่อเหหรัญยิกเรียนว่านายทรัพย์ของนายหมดแล้วจึงพูดว่าทรัพย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือเมื่อเขาเรียนว่ายังมีนาย จึงบอกว่าถ้ากระนั้นเจ้าจงเอาทรัพย์นั้นมาได้อย่างทรัพแม้นั้นให้สิ้นไปแล้วอย่างนั้นเหมือนกันแล้วขายสมบัติของตนทั้งหมดคือนาสวนดอกไม้สวนผลไม้ยานพานะเป็นต้นบ้างโดยที่สุดภาชนะเครื่องใช้บ้างเครื่องลาดผ้าห่มผ้าปูนั่งบ้าง โดยลำดับเขียยกินตอนเศรษฐีต้องเที่ยวขอทานครั้นในเวลาที่เขาแก่ลงเจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนที่เขามีโควาหมดแล้วขาย เ, าเรือนของตัวแต่ยังถืออาศัยอยู่ก่อนเขาพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือนของชนอื่นอยู่ถือชิ้นกระเบื้องเที่ยวไป ขอทานปรารบจะบริโภค พ, พัตที่เป็นเดนของชนแล้วครั้งนั้นพระสัสดาทอดพระเนตรเห็นเขายือนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับโภชนะที่เป็นเดนอันภิกษุนมและสามเณรให้ในวันหนึ่งจึงทรงแย้มพระโอร์ลำดับนั้นพระอานนเถระทูลถามถึงเหตทุที่ทรงแย้มกับพระองค์ พระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ทรงแยม้มจึงตรัสว่าอานุนเธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้พลานทรัพย์เสีย160โกรธพาภรยาเที่ยวขอทานอยู่ในนครนิแลก็ถ้าบุตรเศรษฐีนี้ไม่พลานทรัพย์ให้หมดสิน้นจากประกอบการงานในปฐมวัย ก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้แลถ้าจาักออกบวชก็จะบรรลุอรหัตแม้ภรยาของเขาก็จกดำรงอยู่ในอนาคามิผลถ้าไม่ผลานทรัพย์ให้หมดไปจกประกอบการงานในมัชิมวไวจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สองออกบวชจะได้เป็นอนาคามีแม้ภรยาของเขา ก็จกดำรงอยู่ในสกัทาคามิผลถ้าไม่ผ่านทรัพย์ให้สิ้นไปประกอบการงานในปัชิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามแม้ออกบวชก็จะได้เป็นสกัทาคามีแม้ภรยาของเขาก็จกดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแต่เดี๋ยวนี้พุทธเศรษฐีนั่น ทั้งเสื่อมจากโภคาของครหัส่ทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญญผลก็แลครั้นเสื่อมแล้วจึงเป็นเป็นเหมือนนกเกรเรียนในเปลือกต้มแห้งฉะนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่าอจริตวาบรหมจริยังอลัทธาโยโบเณีธนัง จินนโกนจาวชายันติขีนมัชเชวัปัละเลอาจริตวาบราหัมจริยังอลัลธาโยบเนทนังเส้นติจาปาติขีนาวะปุรานิอนุทุนันติพัวคนเขา่าไม่ประพฤติพรมจันไม่ได้ซั์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาว ย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเขา่าไม่ประพฤติประมรจันไม่ได้ทรัพในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถึงทรัพเก่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหลงฉะนั้นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอจริตวา ความว่าไม่อยู่พรหมจริยวาตบทว่าโยบเนความว่าไม่ได้แม้ทร์ในเวลาที่ตนสามารถเพื่อจะยังโภคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเพื่อตามรักษาโภคะที่เกิดขึ้นแล้วบทว่าขี่นัมัดเชความว่าคนเข่าเห็นป่านนั้นนั่นย่อมซบเซา ดังนกกระเรียนแก่มีขนปีกอันเฮี้ยนเกลียนซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่ชื่อว่าหมดปลาแล้วเพราะไม่มีน้ำมีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าอันความไม่มีที่อยู่ของคนเข่าเหล่านี้เหมือนความไม่มีน้ำในเปลือกตมความไม่มีโพคาของคนเข่าเหล่านี้เหมือนความหมดปลา ความไม่สามารถจะรวบรวมโผค้าไว้ได้โดยทางน้ําหรือทางบกเป็นต้นในการบัดนี้แลของคนเข่าเหล่านี้เหมือนความไม่มีการโผลขึ้นแล้วบินไปแห่งนกกเรียนที่มีขนปีกอันเฮียนเพราะฉะนั้นคนเข่าเหล่านี้จึงนอนซบเซาอยู่ในที่นี้เองเหมือนนกกเรียนมีขนปีกอันเฮียนแล้วฉะนั้นบทว่า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 ล่วงสามไวัยไปแล้วก็จะเข้าถึงมรณะเพราะความไม่สามารถจะยกตนขึ้นได้ในการบัดนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเส้นติจาปาติขีนาวะบาพระคาถาว่าปุรานานิอนุทุนังความว่าย่อมนอนทอดถอนคือเศร้าโศก ถึงการกินการดื่มการฟ้อนการขับและการประโคมเป็นต้นที่ตนทําแล้วในการก่อนว่าพวกเรากินแล้วอย่างนี้ดื่มแล้วอย่างนี้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบุเษถีมีทรัพย์มากจบ ชราวัคคาวันานาจบวัคที่11อจบ